วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าวันนี้เป็นวันพระขึ้นสิบห้า่ำเดือนสี่เดือนสี่แผ่นวันนี้เฮเดือนสี่มีวันเดียวเท่านี้หละต่อไปก็คงจะเป็นปีหน้ากับปีปีปหกศูนยหะทีนี้วนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรม บำเพ็ญคุณงามความดีเป็นวันสร้างบุญสร้างกุศลวันนั้นพระของเราทุกองคราาศรัทธาญาติโยมทุกคนพวกเราจึงไดมม้มาร่วมมารวมกันทำวัดสวดมนต์อย่างทุกครั้งทุกคราวที่พวกเราปฏิบัติกันมายาวนานทำวัดทุกวันพระแปดคำสิบห้าคำ วันนั้นวันนี้ก็วันหนึ่งเมื่อทำวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอะไรบางทีหลวงพ่อก็ได้พูดแนวทางปฏิบัติให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟังบางทีก็แต่ก่อนหน้านี้ก่อนเรายังไม่มีสถาในวิทยุเราก็เปิดเอ3สของหลวงตาบางังกลูบาจานบัง ให้พวกเราคณะรัทธายาติโยมทั้งหลายได้ฟังศึกษาแต่ต่อมามีสถานีวิทยุในวัดของเราเกิดขึ้นมา1 0 7 2เเมกะเฮิรตมีสถานีของเราหลวงตาพูดตลอดทั้งคืนเทศนาวาการจากนั้นก็มีเสียงครูบาอาจารย์ทุกองค์ตอนกลางวันเพราะนั้นหลวงพ่อจึงไม่ได้เน้นหนัก ธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สุดแท้แต่พวกเราเป็นผู้แสวงหาเป็นผู้เปิดฟังเป็นผู้ศึกษาจะฟังกันไหนในธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เขาเปิดในสถานีวิทยุเพราะนั้นหลวงพ่อจึงไม่ได้เน้นพระธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเลยเน้นที่ว่าหลวงพ่อมีอะไร ได้ศึกษามาอย่างไรได้ประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรหลวงพ่อจะแนะ น, นําแนวความคิดของหลวงพ่อมาแนะนําบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าแปลกใจทําไมหลวงพ่อของเราแตะก่อนท่านก็เปิด MP3 อะไรให้กับพวกเราฟังเพราะนั้นหลวงพ่ออยากจะหลวงพ่อเองไม่ได้คิดว่า ด้อยในการอบรมด้อยในการให้ความรู้กับพวกคณะผู้เข้ามาศึกษาเพราะเหตุไรเพราะว่าตอนเช้าหลวงพ่อก็ให้แนวความคิดในระดับหนึ่งเกือบทุกวันถ้าไม่มีอะไรแต่ตอนกลางวันก็ธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปิทยุของเราอยู่ในวัด กลางคืนตั้งแต่พระวัดป่าบ้านตา ร, รมวัดเย็นสองทุ่มแล้วไปธรรมเทศนาของหลวงตาอบรมพระ ล, วลว้วนๆเพียวๆเลยถ้าพวกเราต้องการฟังต้องการศึกษาถ้าใยในการศึกษาแล้วพวกเราจะได้ฟังธรรมเทศนาของหลวงตาทุกรถทุกชาติที่องค์หลวงตาแนะนาสั่งสอนสิทธิอุสิ อยู่ในเพราพฉะาั้นในพวกเราศึกษาอ เ, เมื่อศึกษาแล้วก็จะเป็นปัจจุบันเสมออย่างพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้เกิดม า, มาในครั้งพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อได้ยังไงแต่เราต้องเชื่อในหลักเหตุผลของท่านข้อไหนที่เราแข็งแคลงใจ ในพระธรรมคำสอนของท่านจุดไหนที่ท่านพูดไม่ถูกมีแต่ความรู้ของเราไม่ถึงเท่านั้น่ะแต่ทำคำสอนของท่านมีเหตุผลพร้อมบริบูรณ์ให้เราวิเคราะห์ให้ดีให้ดูให้ดีก็แล้วกันนี่ก็เหมือนการธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวไว้ในธรรมเทศนาของท่านให้เราศึกษา แต่หลวงพ่อได้เอาแนวความคิดของหลวงพ่อเองได้ศึกษามาปฏิบัติมาอย่างไรก็มาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพวกเราอีกพอพวกเราเข้ามาอยู่ในปัจจุบันหลวงพ่อมองเห็นอะไรอนนี้สัยอุปนิสัยอย่างไรพวกเราอยู่ด้วยกันอย่างไรหลวงพ่อก็ได้แนะแ น, แ น, แ น, แนวเอาทำคําสอนของพุทธมาประยุกต์ มาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเพราะด้านการที่เข้ามาศึกษากับครูบาอาจารย์เนี่ยให้พวกเราทั้งหลายให้ใช้ความสังเกตให้ใช้ความสใส่ใจถ้าว่าพวกเราไม่ได้สังเกตไม่ได้ใส่ใจเข้ามากะเฉยๆมากะอยู่จะงั้นอ่ะเหมือนกับ ทับพีแช่อยู่ในหม้ อ, อกแกงท่านเปรียบเทียบเหมือนทับพีแช่อยู่ในหม้ อ, อกแกงมีแต่เกลือนะมันกัดก่อนจนทับพีเออจะหมดไปเพราะว่าเกลือกัดก่อนมันไม่รู้รสทับพีอยู่ในหม้ อ, อกแกงไม่รู้รสว่าแกงนี่มันเผ็ดมันเค็มมันหวานยังไงอยู่ในหม้อไม่เหมือนลิลนส์ทานเลนอแตะเข้าไปเราจะรู้ได้ว่ารสมันเป็นยังไง นี้ก็เหมือนกันถ้าหาว่าเราเป็นทับ พ, พีแช่อยู่ในหมอกแกงไม่คิดไม่อ่านถึงจะมาแช่มาอยู่นานขนาดไหนก็เหมือนกับลิงข้างบางชนิดมาอยู่ในวัดของหลวงพ่อนะวิทยเุเสียงธรรมเปิดอยู่ตลอดเวลาลิงก็ยังเป็นลิงอยู่อย่างเก่ า, าตัวเงินตัวทองตัวตะกวดตัวอีเห็นก็รอกกระแตมันก็เป็นอยู่อย่างเก่า เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ศึกษามันไม่ได้ใส่ใจมันเกิดมาอยู่วัดหลวงพ่อเหมือนกันนี้พวกเราเป็นอะไรเป็นกรอกกระแตและเป็นลิงข้างบางชนีและเป็นพระหรือเป็นเนรหรืเป็นโยมผู้ใฝ่ในการศึกษาเพราะนั้นให้พวกเราเข้ามาศึกษานะให้ฟังนะหลวงพ่อแนะนำสั่งสอนอย่างไรกูบาอาจารย์แนะนาสั่งสอนอยังไงเทพ ธรรมเทศนาองคหลวงตาครูบาจารย์แนะนําสั่งสอนอย่างไรเราก็นํามาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายใจของเราให้ไปในตามแนวแถวที่ท่านแนะนําสั่งสอนนั่นแหละเราจึงจะเป็นพระที่ดีศรัทธาญายมที่ดีได้้ไม่ใช่ว่าเข้ามาอยู่วัดหลวงพ่อแล้วจะดีเลยไม่ใช่นะจึงจะนายดีนางดีมาก่อนก็เถอะนะพระดีมาก่อนก็เถอนะมีแต่ชื่อเท่านั้นแหละ อแต่ทำถ้าทําเร็วมันก็เร็ววันยังค่ำเนพะราะนั้นให้พวกเราเข้ามานะไฟกายไฟในการศึกษานะไฟในการเรียนรู้และปฏิบัติ ด, ด้วยการปฏิบัตินี่แหละสำคัญถ้าเราเรียนเฉยๆรู้เฉยๆมันปฏิบัติก็เท่านั้นเนี่ยมีแต่เอาความรู้ไปอวดอ้างหมู่พเพื่อนท่านเองว่าข้าได้อยู่กับครูบาอาจารย์หลวงพ่ออินตอนนั้นปีท่า น, นี้เดือนท่า น, นั้นแหละอแต่ความรู้นะ่ะแล้ ผลของการประพฤติปฏิบัติของเราะ่ะเป็นยังไงที่ให้พวกเรานะพูดทั้งนี้ทั้งนั้นนะให้พวกเราเน้นทางภาคปฏิบัตินะปฏิบัติอย่างไรหลวงพ่อเคบอกแล้วบอกบอกอีกร้อนแล้วสอนอีกเรื่องสมาธิในสําคัญสติในสำคัญถ้าว่าเราขาดสติสมาธิมันก็ไม่เกิดเพราะนั้นเรื่องสมาธิเราจะฝึกยังไงฝึกให้มีสติ กำหนดตั้งจิต ก, กำหนดในเมื่อกำหนดสติสัมปชัญญะในเมื่อสติมีและก็สัมปชัญญะคือความรู้ตัวเดี๋ยวนี้เราอยู่ยังไงเราพูดอะไรเรานั่งอย่างยังไงเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้อันนี้ก็คือให้น้อมจิตมาหาตัวเองในขณะที่เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้นี่แหละสติแล้วเนี่ยมันระลึกได้ ระสำปัญญะเรานั่งอยู่อยู่เดียวนี้การนั่ง an อาการของเรานั่งอยู่เดียวนี้เนี่ยสำปัญญาให้รู้ตัวว่าเรานั่งอยู่เดียวนี้นะหลังจากนั้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะก็ น, นกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าสติรู้ว่าหายใจเข้าแต่ไม่ต้องตามลมก็ไปในท้องปีแต่ว่ารู้ว่าหายใจเข้าผ่าน ปลายจมูกเท่านั้นน่ะหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราไม่ว่าองค์ไหนสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นจะเป็นหลว ง, ง, ง, งปู่เทศหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่อ่อนหลวงปู่หลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่ชาหลวงปู่ขาวอะไรก็ตามนั้นนะมิตรรวยมากท่านเนี่ยภาวนาหายใจเข้าบริกรรมพศ หายใจออกบริกรรมโทหายใจอ่นนี้คือกรรมฐานของหลวงปู่มันแนะนําสั่งสอนสิทธ์ของท่านพวกเราในฐานะหลานเหลนก็ควรจะยึดแนวปฏิปทาขององค์หลวงปู่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านได้ฝึกมาแล้วได้ผลมาแล้วเหมือนกับท่านทําไร่ทํานาทํารั้วทําสวนทํามาค้าขายได้ผลมาแล้วมาแล้วเราจะไปหาเสือกหน้าเสือกหลังเดินตามหลังแนวแถวของท่านนั่นแหะ ครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านรสมหายตายจากลงไปจุดตินิรพานไปกระดูกของท่านก็เละกลายเป็นพระธาตุให้เขาให้พวกเราได้รู้ได้เห็นอยู่แล้วเรายังไม่สนิทใจ ย, ยังไม่ตายใจอยู่เหลือกิเลสของเรานะเนี่ยเรายังดันทุลังกิเลสราคะโทสะของเรายังดันทุทลังอยู่เหรอยังไม่เชื่ออยู่เหรอเราต้องเชื่อทั้งความเชื่อไว้เลยว่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่าน ภาวนาอย่าจากนั้นเมื่อจิตของท่านเข้าสู่ความสงบแล้วนะ่ะจิตเป็นหนึ่งบังคับให้มันจิตอยู่ในเป็นหนึ่งอยู่ที่ปลายจมกูกไม่ให้มันคิดไปทางอื่นไม่ให้ปุง่งไม่ฟุ้งไม่ให้ซ่านไปทางอื่นให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเขา้าพุทธหายใจออกโธนะั่นใจเมื่อจิตใจ ร, รวมจิตใจรวมเป็นยังไงท่านก็บอกว่าจิตใจมันจะรวม นิ่งฮะอันดับแรกมันจะไม่นิ่งทีเดียวบางคนก็นิ่งได้แต่บางคนก็เสียดสิวเข้าไปเสียดสิวนั่นก็คือคณิกะนะแปลว่าเป็นชั่วคราวอแต่ถึงยังไงท่านก็จะว่าเป็นว่าชานก็ได้ปฐมชานตุติชานตติชานที่ถึงฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่ชานที่หที่หที่เจ็ด อันนั้นเรามันชาญมันพูดยากเพราะเราไม่เก่งทางบาลีเก่งทางนั้นนะ่ถ้าหาว่าเราพูดว่าคินณิกะอุปจาระอัปปนานะเราจะเห็นได้ชัดนะเพราะถ้าผู้ปฏิบัติแล้วนะจะเห็นได้ชัดเลยเอพอนั่งนั่งขัดสมาธิคำว่าพอจิตสงบเข้าไปอ่พอจิตใจมันรวมพอจิตใจมันนิ่งกําลังหยุดเนิ่งนะ เออมันจะรู้สึกเย็นว่าในจิตใจยเย็นมีความสุขพิเศษยังไม่เคยเจอเคยพบมาก่อนอันนี้เรียกว่าคณิกะเลยตอนนี้เออในหลักธรรมเราจะว่าไม่ว่าก็ไม่เป็นไรเออแต่ว่าจิตใจมันมีความรู้สึกอย่างนี้เออแต่ท่านผู้ตั้งเชื่อท่านว่าคณิกะสมาธินะเป็นลักษณะอย่างนั้นเราก็ น, นำนำที่ท่านเอาม า, ามาพูดพูดต่อกันให้ฟังเออจะว่าจิตเป็นอนั้ น, น่ง อจิตกําลังเข้ามาเสี่ยวนึงนะเอจิตจะงบเสี่ยวนึงนะจะพูดอย่างนั้นก็ได้พอพราะสุดแท้แต่ใครจะตั้งชื่อแต่สรุปแล้วก็คือมันเข้ามาวาบหนึ่งจิตเข้ามาวาบหนึ่งนะฮเออย่างนั้นก็ได้ไม่ต้องตั้งชื่อว่าคณิกะก็ได้อจิตเข้ามาวาบหนึ่งจิตเข้ามาชั่วขณะหนึ่งนี่แหละอันนี้ก็คือจัดว่าคณิกะอ ต่อมาจิตใจของเราคนเรานึกคิดเรื่องอะไรสติของเราทันแท้ไหนทันตัวทูวรู้ตัวนึกคิดนะเนีอยมันคิดนึกคิดอะไรเดี๋ยวนี้ใจของเรามันปุ่งฟุ้งไปยังไงสติของเราตามทันดูเออดูทันดูในเมื่อจิตใจของสติของเราดูแล้วมันก็จะไม่ฟุ้งแต่ไหนเพราะเหตุไดเพราะว่าสติของเราทันจิติตของเราทันทันจิต ทันตัวผู้รู้อ่าพอทันผู้รู้มันก็อยู่ในกรอบแล้วใช่ไหมตีกรอบให้จิตของเราใจของเราไม่ให้มันปูงฟุงมันปูงไปทําไมมันได้อะไรใจของเราก็อยู่เอแต่ว่าถึงจะอยู่ก็เถอะนะมันไม่ใช่นิ่งทีเดียวมันก็ยังได้รับรู้ทางหูอยู่มันกระส่งไปทางหูอยู่อ่าอย่างมดกัดมันก็รู้อยู่ มันหนาวก็รู้อยู่ร้อนมันก็รู้อยู่เพียงแต่ว่าตาของเรารับต่นนั้นนะ่ะอแต่ว่าเราก็รู้แต่มันไม่ไปตามมันไม่ต่อเนื่องเอเพียงแต่ว่าหนาวรู้ว่าหนาวตอานั้นแหละมันก็ไม่ได้ใส่ใจร้อนก็อยู่ว่าร้อนมันก็ไม่ได้ใส่ใจหมดกัดก็รู้ว่าหมดกัดปวดแข้งปวดเท้าก็รู้ว่าปวดปวดแข้งรู cad, ane, ้ว่ามันปวดนะอต่มันไม่ไม่เกินกว่านั้นไปอีกยิ ง, ง สรุปลก็คือจิตใจในช่วงนั้นไม่หิวไม่โหยเอไม่กระเสือกกระสนไม่วุน่นไม่วายอะจิตใจสติสติของเราควบคุมควบคุมตัวผู้รู้นะเออยู่ในกรอบ อ, อันนี้แลว้ว่าขั้นนี้แล้วขั้นอุปจารสมาธิขั้นอุปจา ร, สม า, จารสมาธินี่แหละที่นํามาพิจารณากรมฐ า, านห้าเกสารูมานะขาธันตาตะโจเออ ในเมื่อมีสติแล้วก็ควบคุมเอาสติควบคุมตัวผู้รู้นะ่ะนํามาพิจารณานี่แหละจะเดินทางวิปัสสนาได้ถ้าว่าเราเข้าไปสู่ความสงบนิ่งสติเป็นอันใด จ, นนนนจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่รับรู้ทางกายเลยอันนั้นเรียกว่าอัปปนาสมาธิตัว น, นั้นเกินไปมันลึกเกินไปเอ่อนามาพิจารณาไม่ได้มันลึกเกินไปมันมีแต่นิ่ง ใจของเราไม่รับรู้ทางร่างกายเลยนะเป็นเอกเทศส่วนหนึ่งจิตใจนิ่งจติตกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสียงอะไรไม่ได้ยินทั้งหมดอพอจิตรวมถึงส ง, สงบถึงขนาดนั้นขนาดที่เดินยังคงพอเดินป๊บถ้าจิตสงบถึงขนาดนั้นขาชิดยืนนิ่งอยู่ตามลำพังเลยมันไม่รับรู้ทางกายเลยแปลว่าสมองไม่สั่งอะ จะหมอไม่สั่งให้ร่างกายรับรู้เรื่องอะไรเลยมีแต่จิตกับสติอยู่ตัวเป็นมิติหนึ่งในชุดจุดนั้นอันนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์อย่างมากเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้ได้ด้วยตนเองว่าโอ้จิตสงบอย่างนี้ เ, เห็นไรได้ชัดเลยร่างกายกับใจ ใจกับร่างกายนะเป็นคนละอ่านกันได้ชัดเจนรู้ได้ชัดเลยกายกับใจใจกับกายไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันก่อนที่มันจะสั่งออกไปในะใจที่จะออกมาสู่ร่างกายเนะี่ยมันก็ออกมามาสั่งร่างกายแต่บัดนี้ใจมันเข้าไปไปเป็นมิติหนึ่งเข้าเป็นนอนจิตใจมันนอนเน่งมันไม่รับรู้ทางร่างกายเลยมันเป็นเอกเทศของมันอืม ถ้าอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญโอ้ตัวนี้เองร่างกายเนี่ยตายแน่แต่นามธรรมาคือจิตใจตัวนี้นะ่ะมันไม่ตายมันจะต้องไปปฏิสนธนะิในเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งที่เป็นอัปปนาสม า, สมาธิเนะี่ยเราจะรู้ได้ด้วยตนเองนะเนนะี่ยในภาคปฏิบัติจากนั้นมันก็อยู่ไม่ได้นานมันก็ถอนขึ้นหมาบกคนก็อยู่ได้นานนะ เออบางคนก็ทำนิชํานานแล้วก็อยู่ได้นานจากนั้นก็ถอนขึ้นมามาอุปจาระนเอออุปจาระแปลว่าจิตใจยังไปอยู่เออแต่ก็อยู่ในกรอบสติควบคุมเอ่อในการในการคิดของจิตนั้นมันไม่ทะเลถลายเหมือนแต่ก่อนไม่กระเสือกกระโสวนวุ่นวายบางก่อนหน้านี้มานุ่นไปเที่ยวที่ไหนครอบลูกขั่วโลกไหนก็ไม่รู้เออจนพอแรงนะ่ะเราจึงรู้ ใจของเราปุ่งฟุ้งไปว่านะอันนั้นแปลว่าใจปุถุชนใจสามัญชนใจที่มันปุงฟุงนะ้งอันนี้นมันไม่ใช่ใจสมาธินะถ้าใจสมาธินะมันสติควบคุมอยู่ตลอดนึกคิดเรื่องอะไรเห็นตัวเองอยู่ตลอดจากนั้นก็เมื่อมันถอนออกมาแล้วก็นํามาพิจารณาร่างกายเกสาผมเออโกโลมาขนนขาเล็บจันตาพันตะโจหนังคือมะคืออ่ะ กรรมาฐานห้าจากนั้นคือจะพิจารณาในร่างกายของเราก็ได้หรือพิจารณาโครงกระดูกก็ได้ถ้าเราไปเห็นโครงกระดูกที่ไหนแล้วก็เดินดูสังเกตดูพอเสร็จแล้วเมื่อเรานั่งภาวนาเราก็ น, นั่นนะ่ะนาความรู้ที่เราได้เห็นโครงกระดูกนั้วนนะ่ะมาพิจารณาโครงกระดูกตัวเอง เ, อเราจะเป็นโครงอย่างมันนั้นไหม เรามีโครงกระดูกจังนั้นไหมมีกระโหลกศีรษะไหมเออมีฟ <backstory> <tan> yep ันไหมมีขากรรไกรไหมมีคอไหมมีกระดูกคอไหมเออมีไหายาลาไหมมีแขนไหมมันมีเหมือนกันเออกระดูกนั้นกับโครงกระดูกนั้นกับกระดูกของเรานี่ยมันอันเดียวกันนี่แหละอันนี้คือมาพิจารณาในเมื่อพิจารณากระดูกแล้วสินี่แหละคือวิปัสสนาอะไรสักหินะเออที่นําจิตใจมาพิจารณาเรียกว่าวิปัสสนา ทำจิตใจให้สงบนั่นว่าส ม, มะถะตหรือสมาธิสมา ธ, สมาธิหรือส ม, มะถะตอันนี้เลยว่าวิปัสนาคือแยกแยะร่างกายเมื่อพิจารณาร่างกายเห็นร่างกายของตนเอง <S <S จากนั้นก็ บ, บอกว่านี่ใจของเราเนี่ยนะตัวผู้รู้เนี่ยเมื่อมันผ่านความสงบไปแล้วนะจิตใจที่ผ่านความสงบเป็นหนึ่งแล้วนะต่ตัวที่บอกมันเป็นหนึ่งน่ะ มันถอนออกมาทำมาพิจารณามันก็เห็นร่างกายชัดเจนนะ เ, เพราะมั น, ม, นมันผ่านความสงบแล้วะจากนั้นก็พิจารณาดูกระดูกแต่ละกระดูกแต่ละท่อนแต่ละแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ชิ้ น, นจนถึงกระดูกเท้ากระดูกนิ้วเท้าแต่ก็ย้อนกลับมาอีกอกระดูกแข้งกระดูกหัวเข่ากระดูกขากระดูกโคนขากระดูกเชิงกรานขึ้นมาหาเอว กระดูกหลังกระดูกชี้โคง้งขึ้นมากระโหลกศีรษะเนี่ยล้วก็กลับลงไปอีกพิจารณาหลายครั้งต่อหลายหนไม่ใช่ครั้งเดียวนะพิจารณาหลายหลายหลายรอบตลบเลยละ่ะพิจารณาเวลาไหนพิจารณาอย่าไปคิดว่ามันมันพิจารณาครั้งเดียวมันจะมันจะรู้แจ้งเห็นจริงไม่ใช่นะใจของเรามันติดพบติดชาติมันติดในร่างกายนี่นะ่ะ ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนชาติมันต้องถอนเทตะน้อยเทตะน้อยขัดเ อ, อเกาเทตะน้อยเทตะน้อยจนเมื่อพิจารณาเห็นร่างกายจึงยังไงก็ไม่ใช่สวรรค์มิมานเป็นของอสุภะปฏิกูลมีแต่เท่าแก่ชราตายเอาเผาเอาไฟเผ า, า, า, า, า, าทิ้งแน่ๆนะไม่เป็นอย่างอื่นเ อ, อนึกเมือม่ออะไรจะนอนเวลาไหนคิดทุกขณะจิตขึ้นมาคิดเบื้องดูล่างกายเนี่ยตายแน่ สู่ที่น้ําลมไปแน่เป็นอสุภะปฏิกูลแน่ไม่ใช่สวรรค์วิมานมาจากที่ไหนนะกายอันนี้อแต่ใจของมันทำไมใจของเราทําไมมาหลงร่างกายอันนี้เนี่ยอทําไมมาหลงจุดจุดนี้ในหลงร่างกายพอเห็นร่างกายชัดเจนท่ น, นี่เป็นอเนจังทุกขังอนาตามไม่ใช่ตัวตนของเราก็ย้อนเข้ามาหาตัวผูวร้รู้คือใจแต่ท่าใจของเราทําไมไปหลงร่างกาย ว่าร่างกายมันจะว่าเป็นตัวตนของเราจีรังถาวรมีความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างนั้นใช่ไหมเฮะใจนละยอีกสักวันหนึ่งนะมันจะต้องพากจากใจของเราแน่นอนนะใจนะในเมื่อพิจารณาร่างกายเห็นชัดเจนเน่งเมื่อผ่านความสงบเมื่อเป็นผ่านสมาธิละเมื่อเห็นร่างกาย ก, ายก็เห็นชัดเจนจากนั้นมาย้อนหนูหาใจก็เห็นชัดเจนอีกเลยนะมาเห็นตัวผู้รู้คือใจ จากนั้นก็ดูใจใจไปหลงร่างกายใช่ไหมในเมื่อหลงร่างกายแล้วก็หลงไปมั่วไปหมดเลยวจะไหหลงร่างกายตัวเองแล้วก็หลงร่างกายคนอื่นอีกหลงโลกหลงสามีภรรยาเงินคำครับทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์เตือกสวนไลนาสิ่งที่มาเกี่ยวข้องรถลามมาวิ่งอะไรหลงเขาไปมุดจะไหนเพราะอยไ้เพราะหลงร่างกาย ถ้าเรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วสิ่งนั้นเป็นเครื่องปัจจัยอาศัยเท่านั้นนะใจนะอให้เราทำความพ่อใจกับใจจากนั้นก็นมาย้อนมาหาตัวผู้รูุคือใจใจอย่าหลงนะดูใจของตัวเองพ่อจากนั้นก็นเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาในใจเองเลยเห็นใจของเราเลยดุกิศดุริศดุริศดุริศดุริสิ่งไหนไม่เที่ยงอมเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเ่ะคิดตรื่องนี้คิดตรงนี้คิดเรงนั้น อสิ่งไหนไม่เที่ยงมันจะเที่ยงได้ยังไงเพราะมันคิดมันปูงฟุ้งอยู่น่สิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นทุกอสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นเราจะมายึดว่าเป็นตัวตนได้อย่างไรเป็นอนัตตานะใจนะนะอย่อางดวงตาที่ท่านเห็นว่ามีจุดมีต่อมผู้รู้อยู่ที่ใดนั้นแลคือตัวพบตัวพบตัวชาติที่มันเกิดขึ้นมา น, ะนี่แหละให้พวกเราย้อนมหาตัวผู้รู้คือใจนะ ตัวนึกคิดนะเนี่ยตัวนึกคิดเนะ่ตัวผู้รนะู้มีต่อมมีตมมีจุดมีต่อ ม, ม, ม, อมผู้รู้อยู่ที่ใดนั่นแหละคือพบชาติมาเกิดตรงนั้นจากนั้นข้างก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในจุดนั้นเพื่อให้พวกเราทุกๆท่านนะการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่แหละคือธรรมะที่ว่าสูงสุดที่พวกเราต้องการาจากนั้นก็นะัถอดถอนกิเลส ถอดถอนใจออกมาจากลุ่มเลือกของกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายไม่ยึดมั่นถือมั่นใน จ, ใจิตใจใจของเราตอนนี้เป็นอิสระเป็นไทยไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นเอมื่อหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วก็ไม่มาเวียนว่ายตายเกิด้เอเป็นนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างจริง เพราะให้พวกเราพิจารณาเนี่ยนะ อ, อก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นได้ที่หลวงพ่อเคยพูดนะเ อ, อเมื่อกตีก๊อปลงหลุมแล้วนะตีไปพัดไม้พัดมาเออตีผิดตีถูกบ้างบางทีก็ตีไม่ถูกลูกก๊อปอีกต่างหาก อ, อบางทีก็ตีแรงเกินไปเ อ, อจนถึงดินกระโจยไปหมดไม่ถึงลูกกอ๊อบลูกก๊อบจยุดลอยอยู่เบื้องบนอีกต่างหาก เ, เพ่ราะอะไรเพราะเราฝึก เออพอเราเก่งขึ้นมาละจังหวะมันพอดีเราเกียร์ไปเกียร์มามันก็ลงป๊อกลงหลุมได้เฮ้พ อ, อะไรเพราะเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นเออมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้มักถึงมักผลนิพพานอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านทั้งหลายเออหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตาครูบาอาจารย์เมื่อท่านจากไป ก, กระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น ก็เลยขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะตั้งใจมุ่งมัน่นพุทธปฏิบัติธรรมอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสั่งสมบุญกุศลอถึงอยู่ในโลกนี่ก็เถอะไม่มีใครที่จะอยู่โชกฟ้าดินฉลายนะเดี๋ยวก็ น, นั่นก็เห็นคนนั่งก็เดี๋ยวคนนี้ตายอมองตัวเองก็เท่าแ ก, แกชลาไปเรื่อยเดี๋ยวก็ฟันรุดเดีวก็ผมเขาเดี๋วก็หูตึงหูฝ้าฟางหนังเหี่ยวไปเรืเอ่อยไม่ใช่ใครจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไปข้างหนา้าไม่ใช่นะแก่เท่าชลา นี่แนหะละหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อเองจึงมาเปรียบเทียบให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังนะหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อแล้วจึงมาพูดให้พวกท่านทั้งหลายฟังอแต่พวกท่านทั้งหลายก็เดินหลังเดินตามหลังหลวงพ่อไปเรื่อยๆนะคิดว่านะแน่นอนนะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นตมีกี่เปอร์เซ็นต์หลวงพ่อมีกี่เปอร์เซ็นต์พวกท่านต้องต้องเดินตามหลังของหลวงพ่อไปเรื่อยๆหนะลวงพ่อก็เดินตามหลังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ชาติชรา พยาธิมรณะเดินตามหลังไปจุดนั้นอีกเหมือนกันกี่เปอร์เซ็นต์เอ่หมืน่นกี่หมืน่นกี่แสนเปอร์เซ็นต์ใช่ทั้งหมดไม่ว่าร้อยเปอร์เซนต์ตอนนี้ไปก็นั่งสมาธิไร้เทนท์นี่นะ